ปฏิสารณียกรรมเรื่องพระสุธรรมสมัยนั้นท่านพระสุธรรมเป็นพระนักกาา่อสร้างรับพัฒนาหารประจำในอาวาสของจิตตะคหะบดีเมืองมัชิกาสน ทุกครั้งที่จิตตะคหาบดีต้องการนิมนต์สงฆ์คณะหรือบุคคลถ้ายังไม่เรียนให้ท่านสุธรรมทราบจะไม่นิมนต์ต่อมาพระเถระหลายรูปคือท่านพระสารีบุตรท่านพระโมคคลานะท่านพระมหากัจจายนะท่านพระมหาโกธิตะท่านพระมหากัปปีนะท่านพระมหาจุนทะ ท่านพระอนุรุทธะท่านพระเรวตะท่านพระอุบาลีท่านพระอนนท์และท่านพระราหุลเที่ยวจาริกไปแคว้นกาสีลุถึงเมืองมัชชิกาสน